พอมาถึงก็เดินมาหาเพื่อนเลยแสดงว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไอ้จอยตายแล้วตั้งแต่ตอนเดินทางจะกลับมาต่างจังหวัดจากความเป็นห่วงไอ้จอยว่าจะโดนผียีเขียวหลอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องห่วงตัวเองแล้วละะ่ะค่ะว่าตัวเองเนี่ยโดนผีไอ้จอยหลอกเข้าเต็มๆเลย